ภาษาริบทพูดถึงโสตาปฏิยังฆ่าธรรม4แล้วก็สัมมะตสิตนะก็เท่ากับ14หัวข้อใช่ั้ยข้อหนึ่งะสัทธาเลื่อมสายไม่หวั่นไหวในพระพุทธสองพระธรรม3พระสงค์4ศีล5สัมมาทิฏิหสัมมาสังกัปปะเจสัมมาวาจา8ดสัมมากรรมมันตะ9สัมมาอาชีวะ10วายมะ11สัมมาสติ12สัมมาสมาธิแล้วก็ ต้องส4นะ14สัมมาญาณ15สัมมาวิมุตติเนี่ยนะก็คือโสตปฏิยังคาธรรม4แล้วก็สัมมัตตธรรม10 1สข้อสิเนาะป็นนับเป็น15ได้างเอามาซะเยอะเลยนะามาเผื่อแผ่นี่เกินไม่ดีใช่ไม่ได้ครั้งนั้นเวทนาของท่านอนาถาบินทิกะคึหาบดีสงบประงับแล้วโดยพลันก็พูดอย่างนี้จบนะหายป่วยเลยแมหายปวดเลยนะดีมาก ยิงไรพรานงนะัก็คือไปพูดถึงสิ่งที่เขามีนะห้ามไปพูดถึงสิ่งที่เขาไม่มีนะไปพูดแล้วจะป่วยมากขึ้นเวทท่านเนี่ยนะปาณาติบา ท, ท่านก็ทํามาแล้วอธินนาทานนั่นก็ไปรักมาเยอะกาเมก็มั่วไปหมดถ้าอย่างเงี้นะอาจจะตายเร็วขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปว่าอย่างนะั้นก็ไปพูดถึงสิ่งที่คุณธรรมใดๆที่เขาพอมีนะก็ถ้าเขายังไม่มีล่ะก็ไปแนะนําให้เขามีเนี่ยนะไม่ต้องไปพูดถึงไอ้ส่วนที่เขาบาปหรอก ถ้าไปคิดถึงบาปใกล้จะตายนี่ไปไม่ดีแน่อย่างไเพราะให้ก็ไปคิดถึงเช่นคิดถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าดีนะอย่างนี้นะก็ให้ไปพูดถึงสิ่งที่ควรมีควรที่จะเป็นเนี่ยนะท่านอนาถบินทิกาครึหาบดีก็อังคาดอังคาดก็คือประเคนอาหารแก่ท่านพระสารีบุตรและท่านพระอ น, นุนด้วยอาหารที่เขาจัดมาเฉพาะตนครั้งนั้นท่านอนาถบินทิกาครึหาบดีเมื่อท่านพระสารีบุตรฉันเสร็จนํามือออกจากบาทแล้ว จึงถืออาสนะต่ำหน้า ท, นที่ควรส่วนข้างหนึ่งท่านภาษาอารีบด์ก็นุโมทนานุโมทนาว่าผู้มีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในพระตถาคตมีศีลอันงามที่พระอริยเจ้าใคร้แล้วสันเสริญแล้วมีความเลื่อมใสในพระสงฆ์มีความเห็นอันตรงบัณฑิต ท, ทั้งหลายเรียกผู้นั้นว่าเป็นคนไม่ขัดสนชีวิตของผู้นั้นไม่เปล่าประโยชน์เนี่ยนะ คือไม่ใช่คนจนว่างั้นเถอะถ้าถามีคุณธรรม4ี่ประการนะสรุปก็โสตาปฏิยังฆ่าธรรมสี่ะหนึ่งเลื่อมใสไม่หวันไวในพระพุทธสองพระธรรมสพระสงฆ์ 4. มีศีลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นชีวิตคนนั้นเนี่ยไม่ขัดสนหรอกแล้วก็ไม่เปล่าประโยชน์ว่างั้นเอถอะไม่ศูนย์เปล่าถ้าค้าขายก็ไม่เป็นโมฆะว่างั้นเถอะพอยังมีกำไรมาต้งองเขยังช่วแนะ่นะ แต่ถ้าไม่มีคุณธรรมเหล่านี้ก็ 50-50 นะพระก็ไม่รับรองแลาพระก็ยังไม่แน่เหมือนกันเพราะฉะนั้นบุคคลผู้มีปัญญาเมื่อระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพึงประกอบซึ่งศรัท ธ, ธาศีลความเลื่อมใสและก็ความเห็นธรรมศรัทธาหมายถึงศรัท ธ, ธาในพระพุทธเจ้าศีลก็อริยกันตศีลความเลื่อมใสคือเลื่อมใสในพระสงฆ์ความเห็นธรรมก็คือเห็นอริยสัจนั่นแหละก็เลื่อมใสในพระธรรม ครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรครั้นอนุโมทนาด้วยขาถาเหล่านี้แล้วก็ลุกจากอาสนะหลีกไปท่านท่านนนก็กลับไปปกตินะไปไปที่กุฏินะแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสถามท่านท่านนนว่าดูกรอนน์เธอมาจากไหนแต่อย่างวันว่า ง, งั้นอ้าวไปไหนมาว่า ง, งั้นกลับเส้าสายว่า ง, งั้นเถอะ ท่านปานนก็กราบทูลว่าข้าแต่พระ อ, องค์ผู้จเจริญท่านภาษาริบบทกล่าวสอนอนาถาปินฑิกะเครืหาบดีด้วยโอวาทข้อนี้ข้อนี้ก็เล่าให้ฟังทั้งหมดนะนะรายงานเหมือนกันแต่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอาอนุ์สาิบุตรนี้เป็นบัณฑิตสาิบุตรมีปัญญามากจำแนกโสตาปฏิยังฆ่าธรรมด้วยอาการสิบนะปกติก็เออโสตาปฏิยังค่าธรรมสี่ใช่ไหมเลื่มใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อริยการตศี ภาษาบุตรเพิ่มอีกนะสัมมาทิฏฐิสัมมาวาจาสัมมากรรมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติเนี่ยนะก็เอามาขยายเพิ่มเติมอีกเหมือนกันเถอะเพราะฉะนั้นความที่ภาษาบุตรเป็นผู้มีปัญญาอีกสูตรหนึ่งก็อนาถาบินทีกะป่วยอีกรอบหนึ่งนะก็ไม่ได้คาบีไม่ได้บอกว่าระยะห่างกันกี่เดือนกี่ปีเนี่ยนะแต่ก็รายงานว่าป่วยอีกเหมือนเดิมเนี่ยนะ ทีนี้พอป่วยก็เป็นไข้หนักก็เลยเรียกบุรุษคนหนึ่งมาบอกว่าดูก่อนท่านผู้เจริญท่านจงไปเถิดจงเข้าไปหาท่านพระอานนท์และไหว้เท้าทั้งสองของท่านพระอานนท์ด้วยเสียงกล้าวตามคําของเราคือช่วงนี้แสดงว่าพระสารีบุตรไม่อยู่แล้วไปจาริกเนี่ยนะคือคือท่านทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะพอออกพรรษาแล้วจับไม่ค่อยแน่นอนบางช่วงก็อยู่บางช่วงก็ไม่อยู่ส่วนใหญ่จะไม่อยู่เนี่ยนะเพราะจะเที่ยวจาริกไปแสดงธรรมเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นก็ไปกราบท่านพระอนุนเนี่ยนะด้วยเสียงกล่าวว่าแล้วก็รายงานว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญอนาถาบินทิกาครึหาบดีป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักขอกราบเท้าทั้งสองของท่านพระอนุด้วยเสียงกล่าวและท่านจงเรียนท่านอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญได้โปรดเถิดขอท่านพระอนุจงอาศัยความมนุเคราะห์เข้าไปยังนิเวศของอนาถาบินทิกาครึหาบดีเถิดเนี่ยนะบุรุษนั้นก็รับคําแล้วก็ไปนิมนต์พระอนุนอย่างที่ว่าเนี่ยนะ ท่านนก็รับโดยดุษนียภาพทั้งนั้นเวลาเช้าท่านท่านนนุ่งแล้วถือบาและจีวอนเข้าไปยังนิเวศของท่านอนาถาบินทิกาครืหาบดีแล้วก็นั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว้ครั้นแล้วก็ถามนานถามท่านว่าเป็นยังไงพออดทนได้หรือพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือเวทนาคลายลงไม่ไ ม, ไม่กำเริบขึ้นเลยหรือความทุเราปรากฏความกำเริบไม่ปรากฏเลยหรืออ น, นะเป็นยังไงพอทนได้ไหมลดลงหรือเปล่าว่างั้นเถอะ ท่านนาถะบินทิกะก็ตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญกระผมอดทนไม่ได้ยังอัตภาพไม่เป็นไปไม่ได้ทุกขเวทนาของกระผมเนี่ยกำเริบหนักไม่ทุเราลงเลยความกำเริบย่อมปรากฏความทุเราไม่ปรากฏมันมีแต่หนักขึ้นนะเอทางเบานี่มองไม่ค่อยเห็นว่ามันจะลดลงได้ยังไงว่างั้นพระนนก็กล่าวว่าดูก่อนขึ้นหาบดีปู่ทูชนผู้ไม่ได้สดับประกอบด้วยธรรมสีประการย่อมมีความสะดุ้งหวาเสียว กลัวความตายที่จะมาถึงในภายภาคหน้าคนไม่มีธรรมะสี่ประการเนี่ยมันกลัวตายกันทั้งนั้นแหละเวลารู้ว่าจะตายก็สะดุ้งหวังกันแถอะผวาใช่ไหมผาวาเองจะไปไหนดีนะหวังกันก็ก็ก็น้าคิดเหมือนกันเอ๊ะครั้งนี้จะไปไหนดีนะเนี่ยนะมันคิดเรื่องโน้นแวบไปเรื่องนี้เรื่องนี้แวบไปเรื่องนั้นเนี่ยนะเฮ้ยถ้าเกิดไปช่วงนี้มันจะไปยังไงเนาะก็ชักไม่ชักไม่ค่อยปลอดภัยแล้วหวางกันเถะ เพราะธรรมะสี่ประการเป็นไงปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในโลกนี้ประกอบด้วยความไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเมื่อเขาเห็นความไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้านั้นอยู่ในตนย่อมมีความสะดุ้งหวาดเสียวกลัวความตายที่จะมาถึงภายภาคหน้าคออืนนี้เขาไม่มีเกาะอะไรสักอย่างหนึ่งะนะคือเขาควรจะคิดถึงใครเนี่ยนะสมมุติว่าโดยทั่วๆไปแล้วคิดถึงคนที่เรารู้จักส่วนใหญ่พอจะไปดีได้ไหมมันก็ยากอยู่เหมือนกันใช่ไหม พอพอคิดถึงคนโน่นอา้าวก็ไปทําอาคุศลร่วมกันไปคิดถึงคนนั้นก็ทําอาคุศลมาร่วมกันคิดถึงแล้วมันดูถ่าจะไปไม่ค่อยดีซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นแต่คนที่คิดถึงพมีมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าจะไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะเพราะส่วนใหญ่คิดถึงพระพุทธเจ้าเลยไม่เคยไปทํากิจกรรมที่เป็นอาคุศลร่วมกับพระองค์งเลยอย่างนั้นเถอะมีแต่ทํากุศลเนี่ยนะคิดถึงพระองค์งเมื่อไหร่ก็เป็นกุศลตลอดเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้แต่ที่ถึงคนทั่วๆไปอาจจะไปเคยร่วม ปาณาติบาตรร่วมอทินนาทานร่วมไม่ใช่กุศลวังนั้นเถอะไปคิดถึงวัดแถวนั้นเน่ยไม่ชักมาใครดีละเพราะฉะนั้นก็จะไม่ค่อยอุ่นใจวังนั้นแต่ว่าถ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าก็อุ่นใจอีกประการหนึ่งปุถุชนผู้ไม่ได้สดับประกอบด้วยความไม่เลื่อมใสในพระธรรมเมื่อเขาเห็นความไม่เลื่อมใสในพระธรรมนั้นอยู่ในตนเขาก็ย่อมมีความหวาดสะดุ้งเสียวกลัวความตายที่จะมาปร์ที่จะมาถึงในภายภาคหน้า ไม่มีธรรมะอะไรเกาะสักอันหนึ่งเลยนะอรา ร, รยศาสตร์ทุกสมุทัยนิโรธมากก็ไม่รู้ซักอย่างเลยนะโอ้จะเอาอะไรเป็นเกาะดีนะคุณยาวันนี้ถ้าไม่นึกถึงธรรมะนึกถึงอะไรดีอ๋อนึกถึงอริยาการตศินนะว่าจะพอมีส่วนนี้แหละจะไปกับเขาบ้างนะไปดีกับเขาบังอืมคนที่ไม่มีพระธรรมเป็นสารณะส่วนใหญ่เนี่ยนะรู้ว่าตัวเองจะตายส่วนใหญ่ก็สะดุ้ง ก็คือมันไม่มีความปลอดภัยอะไรเลยนะหรกพวงหนึ่งก็บอกปุตุชนผู้ไม่ได้สดับประกอบด้วยความไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์เมื่อเขาเห็นความไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์นั้นอยู่ในตนย่อมมีความสะดุ้งหวาดเสียวกลัวความตายที่จะมาถึงในภายภาคหน้าอีกประการหนึ่งปุตุชนผู้ไม่ได้สดับประกอบด้วยความเป็นผู้ทุศีลเมื่อเขาเห็นความเป็นผู้ทุศีนนั้นอยู่ในตนย่อมมีความสะดุ้งหวาดเสียวกลัวความตายที่จะมาถึง ภายภาคหน้าเนี่ยนะในในกลุ่มเรานี้ใครใครที่อยู่กับคนที่ใกล้จะตายมากเลยมั้ยไม่ใช่คือคือพูดถึงก็ก็ของเรามีนะคุณสุจินเป็นยังไงวันหนึ่งกี่เจ้าดีวันเกือบทุกวันเลยเหรอโอ้โหนะ อ๋อดูเหมือนกับเป็นก็มีดูเหมือนตายก็มีนอแล้วเขาเป็นยังไงบ้าง <c oughs> เวลาใกล้ตาเนี่ยนะ <c oughs> ดูสภาพละ <c oughs> อ๋อไม่มีใครยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขบ้างเลยเหรอ <c oughs> อ๋อหนึ่งในพันเลยนะ อ, อ๋อป่วยทั้งหมดเลยนะคนญาติไปเยี่ยมกับป่วยคนไข้กป็ป่วยใช่ไหม อ, อ๋อไม่ได้ไปให้กําลังใจอะไรกันเลยใช่ไหมดีไม่ดีไปศึกย่งมรดกใกล้จะตายอย่นนแหะก็เดือดร้อนก็ไปอีกหนักหนาเขาก็เนี่ยนะแล้วอาจารย์แดงเห็นคนที่แหมดูจะไปดีเยอะไหมแหมเขายิ้มแย้มแจ่มใสดูเขาเหมือนกับมีที่พึ่งเหลือเกินอย่งนะไม่ค่อยเห็นอะนะ อ, อ๋อสายยางระยงระยางไปหมดเลย เสียบจมูกบ้างเสียบคอบ้างเนี่ยนะปั๊มลมบ้างอะไรบ้างโอ้โหเต็มทีมันกันมิน่าหมอก็บอกเขาขอตายอยู่บ้านอะนะหมอเองก็ไม่ไม่ยอมจะตายอยู่โรงพยาบาลเหมือนกันเนี้กลัวเหมือนกันเอาไว้รักษาเพิ่มอื่นคุณวิลาวันเ้าอยู่แผนกเกี่ยวกับผ่าตัดนี่เป็นไงบ้างอ๋อหลังจากที่เขาผ่าตัดมาแล้วนะเป็นไงบ้าง ไปแนะนำเขาไงเขารู้ตัวคิดว่าแต่เขาไม่เคยผาักคมันเขเป็นอะไรแสดงมนเขารู้หมดแล้วมองหน้าระยะเขาเขารู้แล้วตัวเขาต้องไปเน้่ยระยะรู้แหละแล้วเขาเป็นไงเขามีความสุขหรือว่าไงคิดว่าเขาไมจะบอกเราดูย่อเอเขาดูยิ้มแย้มแจ่มใสหรือว่าเขาเครียดลงเครียดลง อ๋อต้องต้องต้องกล็ว่าขอให้ทุกคนเบาใจได้นะอย่างเงี้ยนะเขาต้องแนะนํากฎญาติพวกมาเยี่ยมนะพวกไปเยี่ยมนี้ไปสร้างปัญหาให้คนไข้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะอืมส่วนมากนี้จะเป็นหนักกว่าคนไข้ซะเอกันนะะมิน่านะมีหน่าบางท่านก็เลยบอกว่าป่วยแล้วไม่ต้องใครไปเยี่ยมหรอกว่างั้นเนี่างะั้นพอจะไปสร้างปัญหาให้หนักกว่าเดิมอีกมั้งขออยู่คนเดียวดีกว่าว่างั้นอ่างนะ้น เพราะฉะนั้นไปเยี่ยมไข่ก็แทนที่จะไปให้คนไข้ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขบ้างใช่ไหมกลับแหมไปสร้างภาระให้คนไข้เหลือเกินเนี่ยนะก็เขาก็ป่วยกายแล้วหาโรคใจไปซ้ําเติมเข้าไปอีกเนี่ยนะก็คนป่วยไปเยี่ยมคนป่วยมันก็ป่วยขึ้นนั่นแลหละแบบนั้นนะฮะ <c oughs> วันผู้ที่มีสาระเนี่ยนะมีสาระมีที่พึ่งมีที่ระลึกถึงอย่างเงี้ยนะความป่วยทางใจก็คงจะลดลงอ่ะนะก็ ของมานึกถึงคุณครูวิเชียนทุกวันเนะีเ่ยไงแกก็ยังเดินเหินสบายๆเลยนะ oh. แต่ก็เจอกันสุดท้ายก็คือเขาไปฝากทําบุญไปอินเดียนะวันไปอินเดียนี่เขาเขาไปแต่เช้ามืดเลยไปกับแม่บ้านเขาขังลูกไว้ในบ้านเขาแบบนั้นแล้วก็ชวนแม่บ้านก็ไปส่งก็ไปส่งก็มีดอกไม้มีอะไรไปฝากทําบุญที่อินเดียด้วยนะยังยิ้มแย้มแจ่มใสเจริญก่นนนอน ในที่ที่สนามบินน่ะนะวันนั้นวันที่ไปอินเดียนะเขาก็มาหาที่วัดเจริญหลวงแล้วก็ไม่เห็นว่างั้นก็เลยไม่รู้ว่าสอนอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะเขาก็มาปรบรบเล่าให้ฟังวันนั้นน่ะนะแต่ก็เออแกก็ดูมีกําลังใจกันดีนะแกก็เล่าถึงว่าไอตอนที่แกผ่าตัดอะไรเป็นต้นก็กําลังใจก็ค่อนข้างดีเพราะว่าคือมีที่พึ่งมั่งอ่ะนะส่วนคนทั่วๆไปมันไม่ค่อยมีที่พึ่งอ่ะนะพอไม่มีที่พึ่งมันก็อึดอัดนะนันนะ เพราะโรคร่างกายของเราเนี่ยมันสี่สมุทฐานนะต้องต้องไม่ลืมส่วนหนึ่งกรรมสมุทฐานส่วนหนึ่งจิตตาสมุทฐานส่วนหนึ่งอ um ุตตุสมุทฐานส่วนหนึ่งอาหารสมุทฐานเนี่ยนะถ้าจิตก่อใหม่ดีบุญก็ไม่ได้ให้ผลด้วยนั่นก็ไปกันใหญ่อาหารก็วิบัติอุตตุก็ไม่ดีอย่างน้อยถ้าได้จิตก่อนนะจิตก็ยังดีก่อนละถ้าได้จิตดีส่วนในจิตตชรลกปก็ดีก่อนเนี่ยนะกรรมบางอย่างถ้าไม่เบียดมากนักก็ดีไปละแล้วก็พวกอาหารชโลกุกก็ ที่ที่หมอเขาให้มันก็จะมีคุณค่ามีประโยชน์ใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าใจมันไม่รับเลยนะสมมุติถ้าใจไม่รับนะอาหารและกินจะไปจะลงไหมยาจะมีประโยชน์ไหมถ้าใจมันไม่รับนะต่อต้านตลอดแล้วก็ทั้งกินด้วยและใจต่อต้านด้วยยาก็ไม่มีผลอะไรมากมายนักหรอกเขาก็เลยขอมาฟังวิทยุวันก่อนก็อบอกว่าขอให้ไปกลายเป็นไปแนะนําหมอให้หมอมีศรัทธาว่ายาอันนี้ต้องหายแน่เหมือนกันเถอะให้ให้หมอมีศรัทธา แต่ที่จริงแล้วหมายถึงว่าสิ่งที่ควรจะเป็นอ่ะคือคนไข้คนไข้ถ้าศรัทธาในายา น, นั้นก็นับว่าหายไปค่อนข้างมากพอสมควรระดับหนึ่งแล้วนะคืออะไรเพราะว่าอ่ามันไม่มีโทษสารนะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าลดโลภะอะไรนะแต่ว่าแก้แบบโรคโลคแก้อย่างไงมันก็แก้แก้ก็แก้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็ไปเจออย่างหนึ่งแก้อีกอย่างหนึ่ ง, ก, ง, งก็ไม่อีกอย่างหนึ่งแหละแต่ทีนี้การ ที่ศึกษาเรื่องคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือว่าประกอบด้วยคุณธรรมเหล่านี้แล้วก็น่าจะเบาใจเนี่ยนะน่าจะเบาใจเนี่ยนะของมาก็ได้แต่หวังว่าแม้ถ้าเราป่วยนะเราต้องไม่ทุกข์ว่างั้นเถอะคือมันจะป่วยมันจะมันจะไม่ป่วยมันก็น่าจะเท่ากันว่างั้นนะ่ะนะก็เราก็ก็ได้แต่ทําใจไว้ยว่าจะต้องฝึกให้ได้เป็นลักษณะนั้นนะไม่ใช่ว่ายังไม่ทันป่วยแล้วก็ป่วยก่อนป่วยอย่างนี้ก็เดือดร้อนอนะีนี่ยนะนี่ถ้าฉันป่วยฉันจะเป็นยังไงนะ องั้นะอันนี้เริ่มป่วยตั้งแต่ยังไม่ทันป่วยแล้ว้านะป่วยแล้วใครจะมาดูแลฉันนะอย่างนี้นก็ทุกไปอีกแล้เพราะฉะนั้นก็บอกมันป่วยก็มันอย่างที่พระองค์ตรัสว่าท่านผู้เป็นเช่นเราคือมีความตายเป็นธรรมดาว่า ง, งั้นเถอะสรุปมันจะป่วยมันก็ตายไม่ป่วยมันก็ตายอยู่ดีแต่ถ้าก่อนตายแล้วคติสำปรายาภพควรจะเป็นที่ไหนเนี่ยนะอะไรที่ควรคิดถึงให้มากที่สุดเนี่ยนะสมมตินะถึงฟื้นถามว่าจะอยู่ดีไหม สมมติเอาว่าเอาเขารักษาแล้วหายป่วยนะแต่ว่าสมองต้องเอาไปทิ้งไปซีกหนึ่งนะไตก็หมดไปข้างหนึ่งแขนก็หลุดไปข้างหนึ่งตับก็หมดไปครึ่งหนึ่งเนี่ยนะแต่ก็ฟื้นอยู่ถามว่าจะอยู่ดีไหมอยู่มันก็กรพ่องกระเพ่งเต็มทีแล้วนะมันก็หนักหนาสาหัสเต็มทีแล้วเพราะฉะนั้นมันอยู่มันไปมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันนักหรอกเพราะฉะนั้นไอ้ไปพึ่งพิงอะไรกับรูปมากมายนักเนี่ยนะถึงอยู่มันก็ไม่ได้อยู่ดีอะไรมากมายเพราะะฉนั้นก็เตรียมเสบียง เสบียงทางเธอวังนัี้นนะนะถ้าถ้าอยู่กับเรือรั่วในกระ่ามท่ามกลางทะเลเนี่ยนะไม่คิดจะเปลี่ยนเรือบ้างหรือไงอย่างเง้ยนะหรือว่าจะอยู่กับเรือรั่วนี่แหละมันจะผูกกระช่างอุดมันไปเนี่ยนะเอ้ยวิธีอุดเขาก็ง่ายนะไปตัดที่ส่วนหัวมาปะที่ส่วนหางเนี่ยก็อุดปะโน่นโป้นี่เข้าไปแล้วมันจะไปแก้หายผูได้ยังไงเพราะมันเก่าทั้งคู่นะผมผมเคยคิดตัวผมเองนะเจอนะเอถ้าเปลี่ยนเรือก็จะดีนะในขนา เพราะว่าเพราะว่าเรามาล่วงถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะไปทำอะไรเนี่ยน้อยแต่ถ้าหากเราเปลี่ยนเรือใหม่ไม่ว่าเปลี่ยนไปใหม่แล้วเราเจะสามารถที่จะกลับมาเป็นมนันรุนได้เนี่ยนะเพราะว่าเปลี่ยนเลยดีกว่าเพราะว่าเรามาเริ่มใหม่ได้แล้วเราตั้งตั้งอัตราสมมาปณิที่เอาไว้ว่าเออ เราจะต้องเริ่มศึกษาตั้งแต่อายุไม่น้อยเลยแล้วจะไม่สนใจและไอเรื่องกรรมคุณท่าอะไรจะไม่ชมและดอกไม้แบบนั้น <c oughs> เอาเอางานอย่างเดียวแบบั้นงอย่างเดียวเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนก็ดีนงนะแต่ก็สะสมในช่วงนี้ให้มันดีๆก่อนเนี่ยนะเดี๋ยวไป <c oughs> ตอนนั้นเดี๋ยวเกิดหุ่นยนต์มันดีขึ้นแล้วกับลาบากเอกคือท <c oughs> ห า, ามันยังเปลี่ยนไม่ได้กก็ใช้ไปก่อนใช้ไปก่อนแต่ ตไม่เขาคุณจะก็ให้เขาช่วยรักษากันแล้วกันอย่างนั้นเดแล้วก็เขาคนมีบุญก็ใช้ผีสางให้ช่วยปกปักรักษากันแล้วกันเนี่ยนะก็นี่แหละที่บอกว่าจะไม่สนใจแล้วไงจะเอางานอย่างเดียวอย่งนั้นนี่นะจะไม่ดูละนี่นะนี่ถ้าคนที่มีศีลเนี่ยนะ ปุตุชนผู้ไม่ได้สดับผู้ทุศีนเนี่ยเมื่อเห็นว่าความทุศีนเนี่ยมีอยู่ในตนส่วนใหญ่ก็จะหวาดเสดุ้งกลัวถึงความตายที่จะมาถึงในภายภาคหน้าเนี่ยนะแต่ถ้าผู้ที่มีศีนะเป็นไงเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นปุตุชนผู้ไม่ได้สดับประกอบด้วยธรรมะศีประการย่อมมีความสะดุ้งหวาดเสียวกลัวความตายที่จะมาถึงในภายภาคหน้าเนี่ยนะก็คือหนึ่งนะั้นไม่มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ แล้วก็ทู่ศีลมาเนี่ยนะก็จะเดือดร้อนใจละอันนี้ถือว่าเป็นธรรมดาของของโลกจริงๆเนี่ยนะคือไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในใจก็ถือไม่มีที่เกาะแล้วถ้าทู่ศีลด้วยก็แสดงว่าไม่ดี ก็มันก็คิดไปเรื่อยนะก็ถามคุณวิลาวันนี่ว่าคนไข้หลังตายมาแล้วเนี่ยเอ้คือหลังผ่าตัดมาแล้วนะหลังตายก็ดีหลังตายก็เกิดใหม่แต่ว่านั้นหลังผ่าตัดก็ใครมีความสุขสักกี่เจ้าเชวก็ทุกน้อยเต็มทีเพราะฉะนั้นในในพระสูตรอย่างในอัญญตาระสูตรเนี่ยนะอัญญตาระสูตรในสังยุตตนิกายสัจจะสังยุตตนี้เหมือนกันว่า พองช้อนฝุ่นขึ้นมาในเล็บเนี่ยนะช้อนฝุ่นขึ้นมาแล้วก็บอกว่าดูก่อนพิ่สุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนฝุ่นเล็กน้อยที่เราช้อนขึ้นไว้ในปลายเล็บกับแผ่นดินใหญ่นี้ไหนจะมากกว่ากันพิ่สุทั้งหลายกราบทูลว่าแผ่นดินใหญ่นี่แล้วมากกว่าฝุ่นเล็กน้อยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าช้อนไว้ในปลายพนะกขามีประมาณน้อยเมื่อเทียบกับแผ่นดินใหญ่เนี่ยนะมันเทียบกันไม่ได้เลยแม้แต่ส่วนเสี้ยวว่างั้น โดยความพิสูจน์ทั้งหลายชั้นนั้นเหมือนกันสัตว์กลับมาเกิดในหมู่มนุษย์มีน้อยโดยที่แท้สัตว์ที่กลับมาเกิดนอกมนุษย์นั้นน่ะมีมากกว่าเนี่ยนะซึ่งที่อื่นคําว่านอกมนุษย์นี่หมายถึงอบายทุกติวินิบาตนั่นเองเนี่ยนะมีมากกว่าเฉะนั้นปริมาณของผู้ที่กลับมาสู่สุคตินี่น้อยจริงๆเนี่ยน้อยมากๆเลยนะเพราะเมื่อน้อยลักษณะแบบนี้แล้วก็เราก็จะอยู่ในหนึ่งจำนวนน้อยนะเราเราจะอยู่ในปริมาณมากหรือน้อยดี คือวันวันก่อนมีอยู่อาทิตย์ที่แล้วนู้นอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยของมาเห็นคุณของเชือกอ ย, อย่างหนึ่งคือคือเออเราทํายังไงดีนะั้นว่าจะข้ามไปฝั่งโน้นได้ไอ้น้ําที่มันสูงสักสองเมตรกว่ากว่าเนี่ยนะเชี่ยวเชี่ยวแบบนี้เออทำยังไงดีมั้ก็เลยบอกถ้าเดินข้ามเขาเดินข้ามเขามันก็กลิ้งสิงเพราะฝนตกนะฝนก็พรมนิดนิดแหละนะเอาไงดีมัก็เออเชือกเราก็มีตั้งเยอะนี่ก็เลยไปผูกเชือกไว้กับต้นไม้ฝั่งโน้น ก็ให้คนงานก็ว่าผูกเชือกไว้ต้นไม้ฝั่งโน้นทีนะแล้วก็ผูกเชือกไว้ฝั่งนี้แล้วก็ยันยอนเชือกนะแล้วก็จับเชือกแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วก็ปล่อยไปตามน้ำซะเดี๋ยวมันก็ตีเข้าฝั่งเองอนี้สบายอันนีทีนี้ถ้าเราจะเปรียบเทียบอุปมาว่าเชือกเนี่ยก็เหมือนกับไตรสารณคมนะถ้าชีวิตของเรามีไตรสารณคมเราก็เบาไปอย่างหนึ่งแต่ทีนี้ถ้าไอห่วงน้ำนี่มันก็คือกิเลสนะสมมติถ้าโอกค กีเลศเนี่ยคือเหมือนกับห่วงน้ําถ้าทุศีลมานะแสดงว่าไอ้ท่อนสุงมันลอยมาด้วยถ้าใครทุศีล น, นะเหมือนกับท่อนสุงที่จะลอยมากระแทกกันนะถึงบางทีถ้าจับเชือกมันก็ยังพอมีเกาะบ้างนะสุงมันจะมีบาบ้างก็ยังพอหลบพอหลีกเพราะมันมีที่เกาะใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีเชือกเลยนะก็สังสารวัตรนี่น่ากลัวที่สุดเลยวนะก็รู้ว่าคติข้างหน้าไปไม่ดีถ้าไปไม่ดีแล้วเนี่ย พอมาตอนนี้มาสังเกตรปริมาณของสัตว์เดราาเัจฉานนะเฉพาะที่ตาเราเห็นเนเนี่ยโอ้มันมีมากจริงๆมากถึงเฉพาะในตัวมดที่อยู่ในตู้พระไตรปิฎกตะมาณ น, น่าจะมากกว่าคนทั้งเชียงใหม่เนีย่ยนะมดในตู้พระไตรปิฎกที่เดียวเนี่ยนะไม่ต้องไปพูดถึงบริเวณส่วนอื่นนะไอ้ข้างบนดาดฟ้าต่างหากว่าไอ้ชั้นบนเพดานเนี่ยนะก็เราก็เก็บลังๆไว้ใช่ไหมทุกลังเนี่ยมีมดเกือบทุกลังอย่านะ แล้วบริเวณรอบๆ อ, อีกโอ้ทำไมเดราฉานมันมากขนาดนี้แล้วก็ไปเดินสนามหญ้าพวกกันนะถ้าเดินลัดนะสมมติถ้าเราเหยียบปั๊บเนี่ยบินฝูงขึ้นฝูงใหญ่เลยนะโอ้โหสัตว์เดราฉานทั้งนั้นลงไปในน้ําอีกก็มีพวกสัตว์น้ํำมัดฟูงูเดราฉานเยอะจริงๆอันนี้เฉพาะในบริเวณนั้น น, น, นะและที่อื่นอีกต่างหากเพราะนั้นอาบายนี่มีมากจริงๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ที่ไม่ฝึกฝนอบรมจิต ถ้าปล่อยไปตามวัตฏะก็จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะว่าไปสู่สภาพแบบนั้นไม่ได้ไม่ได้ยากเย็นอะไรแต่ก็มีโยมคนหนึ่งก็ว่างไงดูไหมมันจะเกิดเป็นอะไรก็ช่างมันเถอะขอให้ไม่ได้เกิดอีกใช้ได้คำว่างั้นนะ <c oughs> <c oughs> เอาเกิดลูกเดียวนะแต่มันจะเกิดเป็นอะไรก็ช่างมันเถอะอ๋ <c oughs> นี่หน้าหน้าเห็นใจอยู่เหมือนกันนะก็ชีวิตชาตินี้ก็ไม่ได้มีความสุขอะไรอยู่แล้วเท่าไหร่นะชาติหน้ามาอีกแล้วชาตินี้ก็ที่เป็นบุญก็ทําไม่เท่าไหร่ ไอ้ที่เป็นบาปนี้ปริมาณนี่มากเหลือเกินเนี่ยนะโอ้ถ้าบาปมันให้ผลจะไปทุกข์อีกขนาดไหนเนะาะว่างั้นเพราะฉะนั้นไในที่เรียกว่าน้ําตา ม, มากกว่าท้องทะเลมหาสมุทรนี้ไม่ได้ผิดพลาดอะไรเพราะศาตร์ทั้งหลายมันทําบาปมากเมื่อทําบาปมากก็สร้างเหตุวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความเสียใจใช่ไหมปกติแล้วคนเสียทรัพย์นี่มันจะเสียอะไรด้วยส่วนใหญ่ก็เสียใจด้วยใช่ไหมถ้าทรัพย์ปริมาณมากบางคนถึงก็เสียน้ําตาเนี่ยนะถ้าทรัพย์ภายนอกอาจจะไม่เสียถ้าถ้าบุตรหลานน่ะ นนบุตรหลานก็ถือว่าเป็นทราพยอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันถ้าบุตรหลานมีปัญหาก็อดน้ำตาร่วงไม่ได้ก็เสียใจอีกเพราะฉะนั้นการเกิดมาเนี่ยถ้าเราทำเหตุที่ไม่ค่อยดีไว้ก็เท่ากับสร้างวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ความเสียใจให้อย่างมากมายเพราะฉะนั้นในในพระสูตรที่กล่าวว่าถ้าหากว่าในหนึ่งวันนะมีอายุร้อยปีขไปนะ คืนหนึ่งวันอะถูกหอกทิมวันละสามร้อยครั้งเช้าหนึ่งรเที่ยงหนึ่งรข้าอีกร้อยหนึ่งเนี่ยนะสรุปแล้ววันละสามร้อยครั้งเนี่ยนะวันละสามรอบรอบละร้อแล้วมีอายุอยู่ประมาณหนึ่งรปีแล้วก็ถูกทิมอย่างนี้เนี่ยนะทีนี้ถ้ากล่าว บ, บอกว่าถ้าแกถูกทิมอย่างนี้ร้อยปีแล้วจะบรรลุเป็นพระโสดาบันบางอันเถอะแต่ว่าถามว่าควรเอาไหมพระองค์บอกว่าให้ควรรับเอาไวเ้เถอะ ถ้าหากว่าจะถูกหอกทิ่มวัน ล, ละสามร้อยครั้งมีอายุหนึ่งร้อยปีแล้วตรัสรริยศัสตร์ได้นะให้เอา <c oughs> ถามว่าทำไมจึงให้เอาเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบความทุกข์ในวัดตะแล้วนะทุกที่มีอยู่เนี่ยมันมีมากในอดีตที่เราเคยถูกทิ่มนะั้นมันมากกว่านั้นนับไม่ได้ แล้วต่อไปสําหรับผู้ที่ยังไม่เห็นอริยสัจจะทำก็มีมากกว่านั้นอีกเนี่ยนะเพราะฉะนั้น300ครั้งนี้ไม่มากอะไรนี่นะวันวันหนึ่งสามครั้งอะนะปริมาณร้อยปีไม่มากอะไรถ้าเทียบกับทุกทั้งมวลที่มีอยู่ในในวัตตะเนี่ยนะแต่ว่าการเห็นอริยสัจไม่ได้เห็นด้วยความทุกข์และโธมนัทนะไม่ใช่ว่าไปทําให้ทุกข์เดือดร้อนอย่างนั้นแล้วจะได้เห็นอริยสัจไม่ใช่เพราะการเห็นอริยสัจนั้นเห็นพร้อมกับด้วยความสุขและ สมนัตเนี่ยนะอันนี้ในพระพูดมีประภาคตรัสไว้เช่นนั้น <c oughs> ว่าโการไม่รู้อริยสัจนี้มันมันทุกข์ร้อนมากๆเลยนะแล้วอีกสูตรหนึ่งพูดถึงว่ า, าไฟไหม้บนศีรษะเนี่ยนะคือพระองค์แต่ว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายเมื่อผ้าหรือศีรษะถูกไฟไหม้แล้วควรจะทำอย่างไรหมายว่ายู่ยู่แล้วนะ ไฟไหม้บนหัวผ้าลุกท่วมหมดเลยอย่างนี้ทำยังไงดีอาจมรนิชทำไงก็ต้องรีบดับก่อนแล้วนะย่งเออเนี่เอาไว้ก่อนนะรีบดับก่อนละเหมือนกันพิสูจทั้งหลายก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อผ้าหรือศีรษะถูกไฟไหม้แล้วควรจะทําความพอใจความพยายามความอุตสาหะความไม่ย่นยอ่อความไม่ย่อท้อความไม่ท้อถอยสติสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อดับผ้าหรือไฟศีรษะนั้นนะต้องรีบดับทันทีเลย พระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายบุคคลพึงวางเฉยไม่พึงใส่ใจถึงผ้าหรือศีรษะที่ถูกไฟไหมแล้วพึงกระทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความไม่ย่นยอ่อความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อตรัสรู้อริยสัจเด็นะที่ยังไม่ตรัสรู้เพราะฉะนั้นเฉยได้นะถ้าไฟไหมศีรษะไฟไหมผ้าเฉยได้แต่อริยสัจไม่ต้องเฉยนะต้องรีบเข้าไว รีบเพียรพยายามให้มากๆไง น, นะไม่ใช่ปล่อยปละละเลยเด็ดขาดไงนะมาใช้ว่าโอ้เดี๋ยวทุกเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยกำหนดรู้มันกระทยอย่างไงนะทุกบางอย่างไม่มีโอกาสทันกำหนดรู้หรอกเพราะอะไรเพราะว่าทุกบางอย่างเนี่ยเป็นเช้าตายเย็นอย่างเงี้นะเป็นเย็นตาเช้ามีโอกาสากำหนดรอบรู้อะไรเพราะฉะนั้นควรทําปริญญาควรรอบรู้เอาไว้ให้เสร็จไงนะหรือบางคนก็บอกโอ้แกๆค่อยเข้าวัดให้เข้าวัดก็มาใช่ว่าจะมาบรรลุที่วัดที่ไหนใช่ไหม เข้ามาวัดเพื่อจะมาศึกษาพระธรรมศึกษาพระธรรมแล้วจะได้เอาไปปฏิบัติรันถ้าเข้ามาตอนแก่นี่ก็เดินก็ไม่ค่อยขึ้นสาราก็ไม่ค่อยไหวเลยนะแล้วนะจะไปฟังอะไรรู้เรื่องโอ้มานั่งลุกขึ้นก็เดือดร้อนไปหมดโอสังสารวัตรนี่ไม่ไหวจริงๆเลยนะสนูตนีก็เทียบไว้อยู่สองอย่างคืออริยสัจกับไฟไหม้บนศีรษะเจนผ่อนแทนที่จะมามัวาปัดไฟไหม้บนศีรษะ ทํายังไงจะได้แทงตลอดอริยสัจสีตรงนั้นควรรีบเป็นกิจที่ควรรีบปล่อยให้ไฟมันไฟมันไหม้ก็ช่งางคับบนศีรษะว่างั้นเถอะคือถ้าจะว่านะไฟไหม้บนศีรษะมันก็ตายหรือทุกปางตายเด่นนะคือถ้าทุกปางตายแปลว่าไฟมันรีบดับก่อนก็ทุกปางตายแต่ถ้ามันไหม้มากก็ตายแต่ก็ชาติเดียวว่า ง, งันเถอะ แต่ผู้ที่ไม่รู้อริยสัจนะจะถูกเผาอย่างนี้อีกไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติเพราะฉะนั้นก็ยอมให้มันไหมซะหน่อยนะยอมให้มันไหมซะหน่อยก็เอาเวลาที่เหลือไปพิจารณอริยสัจเพื่อจะได้เลิกถูกเผาอีกสักทีนนะจะได้พ้นจากการถูกเผาอีกสักทีหนึงน่งดูนะสติมาว่าไงวันนี้ทุกใช่ไห ม, อ, มอะไรสมุทัยละ่ะ นี่สมทุทัยนี่มันอะไรสมุทัยก็คือตัณหาที่เราตัณหาถในหที่มันเป็นยาเหนียนี่ยนะที่วิปลาสในทุกเราเนี่ยนะโ<ไ>อ้ยตัววิปนี้ไอตัววิปลาสในทุกเอางี้นะนี่ทุกโ อ, อไอเนี่ยไอความวิปลาสในทุกถ้าไม่มีทั้งทุกและวิปลาสนี้ความดับทุกนี่ถ้ากำหนดรู้อย่างนี้กาหนดรู้ทุกละวิปลาสเช่นนี้แทงตลอดอันนี้ถ้าอย่างงี้ก็เข้าเข้าเหมือนกัน อสาธุเอาเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถนะ้าคุณไม่ต้องไปสนใจเรื่องอื่นให้มากนักนะไปคิดแต่เรื่องนี้ไปกัอนอืสาธุกอืไม่ใช่ว่ารอให้ไฟมันไหม้ก่อนแล้วไปคิดนะก็ตอนที่มันยังไม่เป็นอะไรแล้วคิดไปก่อนเพราะตอนนั้นมันคิดไม่ได้หรอกเชื่อเออต้องฝึกนะเดี๋ยวสาวหน้าจะมาถามว่าคิดไปกี่รอบแล้วให้คะแนนไวนะ้เลยสมมติว่าคิดหนึ่งครั้งก็ขีดไว้หนึ่งขีดใช่ไหม ก็ขีดได้นะดูสักว่าจะได้สักกี่ขีดเชียวตอนนี้ต้องคิดพั่วๆก็ยังไม่เกิดขึ้นนะแต่ถ้าเกิดขึ้นที่เรังไปเองอ้โสันวนสำนวนนะสำนวนว่าตอนที่ฝนไม่ตกแดดไม่ออกน้ำไม่ท่วมไฟไม่ไหมก็ทำไม่ค่อยเฉพาะกินว่างั้นจะสันวนวันนี้ถ้าถ้าน้าท่วมนะฉันจะต้องเป็นเศรษฐีได้ตอนนั้นแต่คุณพูดมันเหมือนอย่างนั้นแหละ วันนี้สมควรกับเวลาแล้วนะ